ความหมายของเงินเงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปตามกฎหมายให้สามารถจ่ายชำระหนี้ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตหรือผู้ซื้อกับผู้ขายของ